แสงแดดมันกระทบเปลือกตาเนยะจิตยังไวเลยไม่ใช่ไหวปล่าๆนะโมโหด้วยนะแต่ว่าโมโหใครไม่รู้ไม่รู้จะเป็นโมโหพระาทิตย์ก็คงไม่ใช่นะกิเลสโอ้มันยุบยับยๆ บ, บไปหมดเลยตาเห็นรูปจิตยะไหวหูได้ยินเสียงจิตยะไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะใจคิดนึกจิตก็ไหว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 ไปอยู่ในพรหมโลกนะไปเกิดปีติจิตก็ไหวมีความสุขจิตก็ไหวมิวเบขาจิตยังไหวเลยสามโลกนี้ไม่มี ท, ที่ที่ไม่มีทุกเนี่ยเฝ้ารู้นะเฝ้ารู้ไปด้วยใจจะคลายออกคลายออกเวลาจะข้ามเพราะมชาติจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์สุดๆเลยทุกขจนใจไม่เอาอะไร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 เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยสุดท้ายมันก็ไม่ยึดไม่ถือเพราะมีปัญญาเห็นจริงมันเป็นตัวทุกข์อย่าหนีนะอย่าหนีทุกข์พวกหนีทุกข์ก็เาเรียกว่าการปรุงแต่งอานเนรชาภิสังขารห น, นีเลยไม่อยากกระทบกระเทือนอะไรก็หลบไปปรุงแต่งภาวะที่ไม่กระทบกระเทือนขึ้นมาเรียกว่าอานเนรชาภิสังขาร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 งั้นสิ่งที่เราต้องทำนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเป็นวิชาทิฏฐิเนี่ย อ, อกริยะทิฏฐิไม่ต้องการทำอะไรเป็นวิชาทิฏฐิาศาสนาพุทธเป็นกรร ม, มาวาทีต้องทำทำกรรมทำกรรมอะไรทำกรรมไม่ทำกรรมชั่วทำกรรมแล้ทำกรรมดีทำกรรมให้จิตผ่องแผ้วงั้นไม่ใช่รักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง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 ยังบังคับอยู่โอ้ดีที่รู้นะรู้ทั่วถึงดีรู้สภาวะแล้วก็รู้ปฏิกริยาของจิตต่ตอสภาวะนั้นคือความยินดียินร้ายนี่รู้ได้ถึงความยินดียินร้ายว่ายัางไม่เป็นกลางแล้วก็เห็นการปรุงต่อไปแทรกแซงนะดีและวละนะก็เข้าใจเรื่องจิตตั้งมันขึ้นครับก็ไม่เข้าใจตัวนี้นะชาตินี้ไม่ได้มากฝนเร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 ไม่ทำเท่าเนี้ยเป็นพาาระอรหันต์ส่งกันบ้านมา <c oughs> ก็คือสภาวะเมื่อเช้าอะคะ่ะคื อ, อช่วงนี้อยู่ดีๆมันก็เหมือนมีทุกข์ขึ้นมาเออดูนะทุกข์แต่ว่าทุกข์ตัวนี้ย้อมใจเราได้นะยอมยอมัมันท่วมใจนะใจมันจะร้องไห้อยู่ข้างในแล้วให้เรารู้ <c oughs> เาพิ่งเป็นเมื่อเช้าอะคะ่ะให้ดูไปไม่ใช่ของเรา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 อยู่ๆจะรีบให้สูกเร็วๆไม่ได้นะใจร้อนไปปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติถูกแล้วต้องปฏิบัติให้นานพอแล้วตอเนี้ขอบคุณค่ะกับนมัส ก, การค่ะขอกันบ้านทําต่อค่ะเอาไว้เหรอส่งกันบ้านมาก่อนส่งกันบ้านนะคะเมื่อเช้าเห็นว่าเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็คือปกติก็คือจะไม่เห็นแต่คือเห็นว่า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 ดูสิเขาทํางานเองด้านบนแหละ <c oughs> <ๆ>ไม่มีอะไรหรอกเขาทำของเขาเองครับดีแล้วภาวนาไปจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนครับนี่จะสั่นไหวอยู่ตลอดเวลานะสั่นไหวไม่เป็นไรนะอย่าไปประคองไว้ครับจิตให้มันสั่นไหวไปไม่รักษามันแต่ว่ารู้ทันพิธี ก, การหลวงพ่อค่ะ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 กลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะอพักนี้คือจะโมโ oh หง่ายมากอแล้วก็เหมือนมันเครียดอืมากว่าแบบมันไม่หายอย่งนี่ต้องต้องทํำยังไงต้องทําใจ <c oughs> มันไม่หายหรอกคือเรารู้ทุกเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อละทุกนะพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกท่านไม่ได้สอนให้ละทุกท่านสอนให้ละอยากละสมุทยัยอย่างเราอยากให้มันหายใช่ไหม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 อย่างน้ำท่วมบ้านนะเราอย่าให้น้ำหายไปนี้ไม่ได้นะละอะไรได้ที่ใจเราจะไม่ทุกข์ละความอยากที่จะให้น้ำหายไปถ้าใจเป็นกลางกับน้ำนะก็อยู่กับน้ำได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าตัวเองอีกโก้เยอะอทำต้องต้องทำยังไง ร, รู้ทันนะรู้ทันต่อไปจะรู้มันนักเกลียดนะถ้ารู้ทันของคุณพานาดีนะ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 พอเห็นธรรมชาติภายในมันดับไปมันลงผวังก็ไปจับธรรมชาติภายนอกคือาธาตุธาตุสีไปไปเห็นความร้อนความเย็นในร่างกายเสร็จปุ๊บก็ไปจับจับขันภายในคือเวทนา ส, สัญญาสังขารวิญญาณขันใดขันหนึ่งครับตามตามแต่มันจะเลือกดูเราเร า, เราเลือกไม่ได้นะเขาทำของเขาเองรเราเลือกไม่ได้หรอกดูไปเรื่อยจนกระทั่งรู้มันไม่ใช่เราหรอกเรารสั่งมันไม่ได้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 กรรมมันลดลงนะกรรมมันน้อยลงไม่เท่าเขาหรอกเนี่ยคนที่ทําไปแบบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยนอกจากทาบาปแล้ว ย, ยังมีมิจฉาทิฏฐิด้วยพระเจ้าบอกให้ไม่เห็นอะไรมีโทษเท่ามิจฉาทิฏฐิเลยไม่ได้ไปสนับสนุนแต่ไปช่วยแรยงครอบครัวค่ะอ ะ, อะทําหน้าที่ไปสมัยพุทธกาลก็มีน ะ, ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันสามีเป็นนายพรานทุกวันเนี่ยเขต้องเตรียมหน้าไม้เตรียมธนู